เสร็จแล้วตอนนี้อ้าวย้อนกลับมาอพอพระเจ้าเนี่ยท่านก็พยายามนะพูดเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะให้ภิกษุเนี่ยเกิดเพื่อง่ายว่าเตือนสติให้เกิดสำนึกนะว่าว่าภิกษุเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลกันเสร็จแล้วพอพู้เจ้าบอกว่าถ้าไม่ดูแลกันเองเนี่ยใครล่ะจะมาดูแลสรุปนะท่านก็บอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงอุปถากเราผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธหมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยาบางทีเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าป่วยเนี่ยรับรองเลยโวคนต้องมาช่วยดูแลเยอะพ่อบุญบรารมีเยอะถูกไหมอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยใครอยากจะมาดูแลเราอุปถากนี่ ดูแลไม่ใช่ไม่จาเป็นว่าต้องผู้เจ้าป่วยนะผู้เจ้าแม้ไม่ป่วยจะแหละแต่ใครที่อยากจะมาอะไรอ่ะช่วยหาน้ำหาท่าให้น้ำใช้น้ำดืม่มหรือว่าช่วยอาจจะช่วยแบบซักกีวรให้ช่วยอะไร ก, กันช่วยปูสาปูเสือเวลาผู้เจ้าจะนั่งหรือว่า ที่พักหับนอนในเงี้ยช่วยดูแลช่วยทําความสะอาดเนี่ยใครจะมาอุ ป, ปถากพระทเจ้าเนี่ยนะก็ให้เนี่ยผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุป่วยตอนนี้กํลาลังเหมือนกับยกภิกษุป่วยเนี่ยว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าวันใครดูแลภิกษุป่วยนี่เหมือนกับได้ดูแลพระพุทธเจ้าอันนี้หมายถึงท่านกํลาลังจะเปรียบแล้ว เปรียบให้ฟังว่าโอ้โหมันมีบุญมันมีกุศลมากๆเลยนะส่วนจริงๆเนี่ยอาตมาถามพวกเราตรงๆถ้าเรารักใครเราเคารพใครโอ้โหให้เราไปอะไรนะดูแลรับใช้เนี่ยคุณว่าอันนี้ยากไหมออทำใจลำบากไหมแล้วคุณเวลาคุณไปทาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยต้องโอ้โหบางทีทั้งอะไรนะ เสียเรี่ยวแรงไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่คุณรู้สึกยังไงเออคุณรู้สึกมีปิติมีสุขด้วยใช่ไหมมีความอิม่มอกอิ่มใจด้วยซ้ำไปอ่าแต่ถ้าคราวนี้อย่างเช่นเนี่ยภิกษุอาพาธลูกเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอ่าภิกษุอื่นๆก็ป่วยแล้วป่วยไปไม่มีใครอยากจะเหลียวแลพูดง่ายไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเออ แต่ผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยใครเข้าไปดูแลคนประเภทเนี่ยโดยเฉพาะอ่าไม่ต้องพูดไปไกลเอาเนี่ยแหละเอาพวกเราเนี่ยแหละคนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้า <c oughs> เกิดป่วยขึ้นมา <c oughs> เกิดเจ็บขึ้นมา <c oughs> เกิดไม่สบายขึ้นมา <c oughs> เอาละสิคนนี้ดีแล้วสมน้ำหน้านี่แหละ <c oughs> นี่แหละตอนนั้นว่าเรา <c oughs> ตอนนั้นพูดอย่างโง่อย่างนี้ดีแล้วนะป่วยได้ป่วยไปเลยป่วยไปยาวๆเลยได้ยิ่งดีเผลอๆนะบางคนนะตามจิตไม่ทานมันไปเรื่อยอะ่ะอันนั้นน่ะอากุศลจิตละเพราะมันใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้พระเจ้าท่านกาลังจะบอกว่าใครที่ช่วยคนแบบเภทอย่างเนี้ยหมายถึงว่าในหมู่กลุ่มเนี่นะไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักอะไรอื่นเลยนะคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละคนที่เรารู้จกักและอันนี้ก็ถือว่าเป็นภิกษุด้วยกันหมายถึงว่ามาถือศีล มาปฏิบัติทำด้วยกันยังอยู่กับหมู่กลุ่มได้หมายถึงคนที่ยังอยู่กับหมู่กลุ่มได้ไม่ใช่คนที่โอ้โหเลวซาอะไรจนหมู่ขับออกไปแล้วนี่ไม่ใช่เลยนี่ยังอยู่กับหมู่กลุ่มเพียงแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะแหมไม่ค่อยข้อท่าสักเท่าไหร่อ่ะนะเรียกว่าใครๆก็ไม่ค่อยจะรักไม่ค่อยจะเอ็นดูไม่ค่อยจะชอบใจคนนี้แต่อย่างนี้แหละถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเขาลาบาก นะบางทีเออเราทาใจของเราเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลคนนั้นแหละจริงๆแล้วได้ดูแลพระพุทธเจ้าเหมือนกับได้ดูแลพระเจ้าซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าการที่เราบางทีอ่ะต้องขัดใจเราใช่ไหมต้องฝืนใจเรานะเม็นข์ที่หน้ามานานแล้วนะเนี่ยอุตสาบช่วยเนี่ยอต้องขัดใจเราอย่างมากเลยเอออุตสาเอาไปเป็นเพื่อน หรืออุตสาเนี่ยถ้าหนักหนักหนักเหมือนลายภิกษุรูปเนี้ยโอ้โหท้องร่วงเนี่ยนอนจมขี้จมเยี่ยวเราก็ยังแบบว่าโอ้โหอ้าวอุตสาไปช่วยนะล้างทำความสะอาดให้คนนั้นแหละจริงๆแล้วได้ใกล้พุท ธ, ธะแนละ้วคุณพุท ธ, ธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะถ้าคุณทำได้เนี่ยกิเลส ต, ตัวบอกแล้ว ตัวรังเกียจใช่ไหมตัวเกียจชังตัวไม่ชอบใจตัวถือสาอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าคุณคุณลดลงไปได้ถูกไหมคุณจัดการหรือว่าคุณกําจัดลงไปได้คุณมีเมตตาได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณรู้จริงคุณเป็นผู้รู้คุณรู้กิเลสตัวเองวันไอเราโกรธเกียจเข้านี่มันเป็นกิเลสของเรา โอ้โ oh, ถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือเขาได้นี่กิเลสเราจะโดนฆ่าลงไปกิเลสเราจะโดนเฉือนลงไปใช่ไหมเนี่ยคือคือผู้ที่รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงนะรู้อริยสัจเป็นผู้ตื่นก็หมายถึงว่าเรารู้ว่าพอกิเลสเราเนี่ยเราไม่ค่อยชอบคนนี้ไม่อยากช่วยเลยเนี่ยเราชัดในกิเลสของเรานะตัวรู้เลยกิเีสตัวที่หนึ่งแต่พอรู้แล้วเนี่ยเราต้องตื่นออกมาจากกิเลสนั้น เพราะมีเหมือนกันบางคนเนี่ยรู้จริงๆว่าเออเราไม่ใช่เราไม่ค่อยชอบคนนี้เราควรที่จะเข้าไปช่วยอรู้นะเราควรที่จะเห็นใจเขาพวกเห็นใจเขาแล้วก็เข้าไปดูแลยังไงก็เออเป็นเพื่อนฝูงกันมานะกินข้าวหม้อเดียวกันมาครูบาอาจารย์เดียวกันวัดกับวัดเดียวกันอะไรกันเผลอๆก็นอนไกลๆ ก, กันห้องเดียวกันซะด้วยนั่นแหละ เนี่ยพอพอเราคิดอย่างนี้ึ้นมาใช่ไหมหลังจากที่รู้แล้วคุณต้องตื่นหมายถึงว่าอย่าหลับนะเหมือนกับหลายคนอนะ่ะตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาว่ากี่โมงใช่ไหมอ๋อตีหนึ่งรู้แล้วหลับต่อนี่นี่ประเภทรู้แล้วแล้วก็หลับต่อตยังไม่ตื่นรู้แล้วแต่ยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นพอเป็นผู้รู้แล้วต้องเป็นผู้ตื่นด้วยพุทธะนี่ต้องตื่น หมายถึงว่าเอา้าเอา้ยได้เวลาแล้วเราต้องทํางานแล้วอ่ะบางคนอยู่โหตีหนึ่งนะตื่นมาทํางานบางคนตีสองตื่นมาทํางานบางคนตีสามตื่นมาทํางานอ่าอันนี้พอเขาดูแล้วเขาตื่นนะไม่หลับต่อตื่นก็หมายถึงว่าเออเราควรจะช่วยเขาเอาเพราะนั้นลงมือสิไม่ใช่แค่คิดถ้าแค่คิดนี่คือแค่รู้แต่ถ้าลงมือทําเลยหรือว่าพูดเลย นะพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเห็นใจแนะนำอะไรในทางที่ดีได้แนะนำนี่นี่แสดงว่าเป็นผู้ตื่นแล้วไม่ใช่แค่เป็นผู้รู้แล้วถ้าใครทำอย่างนี้ได้อัตมาบอกแล้วถ้าคุณทำได้ใช่ไหมคุณรู้สัจจะอันนี้นี่คุณมีสัมมาทิฏฐิพอเพราะฉะนั้นคุณยิ่งทาได้เนี่ยคุณยิ่งมีปิติสุขเกิดขึ้นว่าโอ้โหนี่เราลดกิเลสเราได้เราล้างกิเลสเราได้คนนี้แต่ก่อนเราเคยเกลียดเราเคยไม่ชอบที่หน้า โอ้เราพูดดีๆกับเขาได้เราช่วยเหลือเขาได้เราทําให้เขาคลายทุกข์จากที่เขามีอยู่ได้มันน่าภูมิใจออกถูกไหมเออมันน่าดีใจออกนี่แหละคือผู้เบิกบานเมื่อเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วคุณจะเป็นผู้เบิกบานอย่างงี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ผู้เจ้าท่านตรัสว่าใครเนี่ยอยากจะดูแลผู้เจ้านะถ้าคนนั้นเนี่ยไปดูแลภิกษุที่ป่วยหรือพูดง่ายดูแลเพื่อนที่ป่วยเนี่ยแหละนะผู้นั้นแหละ คือผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าหรือเข้าถึงพุทธะน่าจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านตัดถึงตรงนี้แล้วนะท่านก็ตัดต่อไปอีกว่าถ้ามีอุปชายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายเอาแล้วนะท่านเริ่มไล่ละไล่ฐานะไล่ตาแหน่งต่างๆแล้วคือถ้าอาจารย์ อ่าไม่ใช่อุปชญาะนี่ยมาถึงผู้ที่บวชให้ะนะเป็นอาจารย์ประเภทที่ผู้ที่บวชให้ถ้าผู้ที่บวชให้เนี่ยป่วยเราที่ควรดูแลอาจารย์ไปตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตนี่มันมีอยู่สองในะนะตลอดชีวิตผู้ป่วยกับตลอดชีวิตผู้ดูแลแล้วมันมีอยู่สองในนั่นก็เรียกใครก่อนใครเท่านั้นแหละนอ่นะหรือก็ดูแลไปจนกว่าจะหายนะถึงจะค่อยเลิกดูแลอะไรอย่างเงี้ย น, นี่สำหรับอุปชาหรื อ, อถ้ามีอาจารย์พึ่งพยาบาลอาจารย์จนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายอาจารย์นี่หมายถึงว่าผู้สอนอบางทีอาจจะไม่ใช่ผู้บวชให้แต่เป็นอาจารย์นะที่จะสอนหรือว่าอ ะ, อะไระเราเราไปที่ไหนเนี่ยอย่า ง, างสมณะที่เป็นนวกะที่ยังบวชไม่ถึง5พรรษาของชาวโศก ถ้าเกิดไปอยู่พุทธศสถานไหนที่ไหนอาจารย์จริงๆอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอยู่ที่ภูผาแต่ท่านเกิดไปอยู่ที่อื่นท่านก็ต้องไปมีที่ทอื่นนั้นน่ะนะต้องหาผู้ที่เกินกว่าสิบพรรษาขึ้นไปเป็นอาจารย์นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอาจารย์นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ป่วยก็ต้องดูแลไปจนกว่าจะตายหรือว่าจนกว่าจะหายหรือถ้าคราวนี้ถ้ามีสัตว์ทีวิหาริกมีอยู่สองอย่าง สัต์ที่วิหาริกกับอันเตวาสิกสัตว์ที่วิหาริกเนี่ยหมายถึงว่าลูกศิษย์ที่อาจารย์ที่บวชให้นะเขาเรียกว่าสัตว์ที่วิหาริกเนี่ยถ้ามีลูกศิษย์ป่วยคราวนี้อ่ากิน ไ, ไม่ใช่อาจารย์แล้วนราวนีน้มีลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ป่วยเนี่ยก็ยังเนี่ยต้องดูแลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายไม่ใช่เราจะดูแลเฉพาะคนที่สูงกว่าเราหมายถึงว่ามียศเอ่อมีฐานะอะไรที่สูงกว่าเราเท่านั้นไม่ แม้ต่ํากว่าเราก็เหอะไม่ใช่ว่าว่าต้องเป็นพ่อแม่ต้องเป็นพี่ไม่จําเป็น่ะเป็นน้องก็ได้เป็นลูกศิษย์ก็ได้เหมือนพู้เจ้าเจ้าเห็นไหมล่ะผู้เจ้าท่านมาดูแลเอช่วยทําความสะอาดพิสูจ ป, ป่วยท้องร่วงเนี่ยนั่นเป็นลูกศิษย์ถูกไหมเนี่ยท่านก็มาช่วยท่านก็มาดูแลเอเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลจนกว่าจะหายป่วยหรือจนกว่าใครจะตายไปข้างหนึ่งนะ่นเนี่ยลูกศิษย์แล้ว ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปชายะภิกษุผู้ร่วมอุปชายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหายนะหรือเนี่ยร่วมมีลูกศิษย์ที่ร่วมอาจารย์ก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแลกันพูดง่ายว่าพระเจ้านี้ท่านตัดทุกฐานะเลยจะเป็นอาจารย์จะเป็นลูกศิษย์จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันหรือคนละอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าภิกษุด้วยกันเนี่ยป่วยปั๊บต้องช่วยเหลือต้องดูแลกัน สงต้องพยาบาลถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัตทุกกฎ <c oughs> อุจ้าเอาอย่างนี้เลยคือว่าถ้ามีภิกษุป่วยเกิดขึ้นแล้วภิกษุด้วยกันไม่มีใครใส่ใจเลยไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีใครมาดูแลให้นะผู้ที่ไม่มาดูแลนั้นถือว่ามีความผิดอาบัตเบานะไม่ใช่อาบัตหนักเราเรียกว่าอาบัตทุกกถือว่ามีความผิดเลยทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ฟังไว้นะอ่า เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าใครป่วยเพื่อนเราเนี่ยใครป่วยแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหไม่มีใครดูแลอะไรเลยแล้วเรารู้อยู่แก่ใจเนี่ยแล้วเราก็ไม่ไปใส่ใจไม่ผสมเนี่ยคนนั้นมีความผิดแล้วคนนี้สําหรับสําหรับภิกษุนี่นะพระเจ้ากําหนดขึ้นมาแล้วถือว่ามีความผิดที่ไม่ไปช่วยดูแลตอนแรกยังไม่มีความผิดไม่ไม่ไม่มีบัญญัติขึ้นมาแต่จากเรื่องนี้เป็นเหตุพระเจ้าก็เลยบัญญัติ วินัยข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าไม่ช่วยดูแลกันนะรูปไหนรู้แล้วไม่ช่วยดูแลถือว่ามีความผิดอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เสริมอีกหน่อยนึงนะตรงที่ผู้เจ้าท่านก็เลยตรัสต่ออีกไปว่าสาหรับผู้ที่จะไปพยาบาลเนี่ยไปดูแลผู้ป่วยท่านบอกว่าควรมีคุณสมบัติห้าข้อนะผู้ที่จะไปดูแลเขาอะนะนะาว่าหนึ่ง เป็นผู้สามารถประกอบยาหมายถึงว่ า, ารู้ว่ายาอะไรนะที่ควรจะให้กับคนไข้นะไม่ใช่เขาปวดหัวตัวร้อนไ อ, ไ, อไม่ใช่เขาปวดท้องอะไรอ่ะเอายาแก้อะไรเดีย่ยฮะแก้อย่างอื่นนะไอ้ที่มันไม่ใช่ท้องไปให้เขากินอนะไรอย่างเงี้ยระวังนะมีนะบางคนเนี่ยซุมสี่ซุมห้าจังเลยมันทีเขาบอกโอ้รู้สึกอย่างนี้อย่างงี้เนี่ยนะ อาแล้วนะหมอตีเขาเรียกเดาใหญ่เลยนะกินได้นนั่นสิกินได้นี่สิบางทีเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ชัดเลยเออไม่ชัดเจนนะไม่รู้จริงด้วยนะเสร็จแล้วก็แน่เขาใหญ่เลยระวังเถอะเขาเกิดไปกินแล้วเกิดเปไ็นอะไรขึ้นมาแนละ้วตายไปแล้วเสร็จเหมือนกันนั่นนะอ่าผิดพลาดนะเพราะนั้นภิกษูเนี่ยผู้เจ้าถึงไม่ได้ไปให้พยาบาลไปให้ดูแลคนอื่นเลยนะอืมแต่ว่า พิกสวยไดกันเนี่ยดูแลได้แต่ไปดูแลคารวาดเนี่ยไปรักษาไข่ข้ออะไรเขาไม่ได้เลยนะไปให้ยาเขาให้ผิดพลาดเขาตายขึ้นมาเสร็จเลยนะเผลอๆ ป, ป, ปราชิกก็ได้นะถ้าถ้าเกิดไม่เข้าทีไม่เข้าท่าอะไรขึ้นมาเพราะอันเนี้ยคุณสมบัติข้อที่หนึ่งนะของผู้ที่จะไปดูแลคนอื่นเขาเนี่ยจะต้องรู้ยาในการที่จะให้สองคือรู้จักของแสลง ว่าอะไรแสลงโลกของคนป่วยนี้หรืออะไรไม่แสลงไม่ใช่คนป่วยอยากจะกินไอศครีมแม้เป็นหวัดน้ำมูกไหลติ๋งๆอยากจะกินไอศครีมโอ้โหแล้วมันจะไหวเลยอย่างเงี้ยคนดูแลก็น่า จ, จะรู้ที่โอ้โหไม่ไหวหรอกหรือกินกัาไปมันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมแน่ๆล่ะอย่างเงี้ยคนที่ไปเฝ้าไข่เนี่ยก็ควรจะรู้ว่าเอออันนี้ไม่เหมาะสครคนนี้ อ๋อละ้นี้ผู้เจ้าท่านมีขยายว่าของของแสลงเนี่ยก็เอาออกนะส่วนของไม่แสลงเนี่ยก็เอาไปให้ผู้ป่วยกินได้สมีจิตเมตตาพยาบาลไข่ไม่เห็นแกอ่อามิตอามิตรไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเงินทองนะเพราะบางคนเนี่ยมาช่วยดูแลคนป่วยก็จริงไม่ได้ไม่มีใครจ้างไม่มีใครวานอะไรมายินดีที่จะไปช่วยนะเนี่ยควรประกอบด้วยเมตตา แต่อัตมาอยากจะบอกว่าจริงนะบางทีจิตแรกเนี่ยเอออยากจะช่วยจริงๆเลยเมตตาแต่พอมาเจอคนป่วยเข้าบางทีคนป่วยแบบประเภทดือ้อหรือคนป่วยแบบประเภทแหมไม่ยอมอะไรง่ายๆระวังเถอะเมตตามันจะค่อยๆหดค่อยๆหดรานยังไงก็พยายามรักษาเมตตาไว้ให้ดีโออุษาตั้งจิตตั้งใจดีแล้วถ้าเกิด คนป่วยทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือทําอะไรที่เรารู้สึกว่าแหมเราจะทนไม่ไหวและถ้าอย่างนั้นรีบปลีกตัวออกมานะรักษาความเมตตาไว้ไม่ใช่ข้อนี้เลยเอาละ <c oughs> นะเล่นงานคนป่วยเลยถ้าจะฉีดยาให้ก็เอานั่งแรงๆหน่อยนะแก้แค้นหน่อยก็ฉีดยายให้เขานะ่าจจะเอาเจ็บๆหน่อยไอ้คนป่วยนี่จะได้สํานึกซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะไม่ได้นะจะดูแลจะรักษาเขา เคยเห็นไหมล่ะบางคนโอ้โหเรามาเห็นจริงๆนะเพราะว่าเคยป่วยเคยไปนอนโรงพยาบาลนางพยาบาลเนี่ยแหละมาดูแลโอ้โหทำอะไรแรงๆเหมือนแก้งเลยอ่ะเรามาดูนี่ทำยังไงนะทำไมเขาเขาเป็นพยาบาลได้ยังไงบ้างเห็นมากับตานะไอ้ที่พูดเนี่ยสมัยป่วยเคยไปนอนอยู่แบบเอห้องอนาถามันก็เตียงเยอะแยะไปหมดเนะี่ย ไม่มีห้องพิสู์พิเศษอะไรโอ้ไปนอนดูไอ้คนไอ้คนป่วยมันก็ด่าใหญ่เลยนะทํามันแรงๆอะ่ะไม่ไหวมันก็ด่ากาให้แล้วมายัางนึกเวียนใจบอกโอ้ทําไมพยาบาลคนนี้ไอ้คนที่เ้าดีเขาก็เออค่อยๆทำใช่ไหมค่อยๆ อ, อ, อะไรคือเรายังสัมผัสได้ถึงความเมตตาคนที่จิตเขาดีๆไอ้คนที่จิตไม่ดีอ่ะไม่รู้แล้วโอ้โหมาพานลงที่คนไข้อ่ะที่ใช่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย ไม่มีจิตของผู้ที่จะไปพยาบาลคนอื่นอ่า น, นั้นเป็นข้อที่สามหรือหรือเนี่ยบางทีไอ้ที่มาพยาบาลเขาอะเพราะเห็นแก่อามิตเนี่ยบางทีไอ้ที่มาทำนี่ไม่ใช่เพราะมีจิตเมตตาแต่มาทำเพราะจ้างฉันฉันทำตามหน้าที่เพราะคนที่บางทีทำตามหน้าที่เนี่ยมันจะไปใส่ใจอะไรอะใช่ไหมบางทีก็อ้าวกินหรือไม่กินบอกแล้วไงว่า อย่าทำอย่างนั้นทําไมทําอะไรอย่างเงี้ยโออมันไม่มีจิตของความเมตตาเพราะมันคิดแต่ว่าทําตามเงินเดือนไอ้ทําตามค่าจ้างอ่ะข้อที่สามข้อที่สี่เป็นผู้ไม่เกลียดที่จะนําอุจจระปั ส, สวะเขละเขระก็คือน้ําลายหรือของที่อาเจียนออกเนี่ยคือจะต้องไม่รังเกียจของพวกนี้ถ้าถามจริงๆว่ารังเกียจไหมรังเกียจ <c oughs> แหมใครล่ะโอ้หอมดีมีเหรอมไม่มีหรอกมันไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นแหมใจของคนปกติธรรมดามันรังเกียจแน่นอนแต่อันนี้พระเจ้าท่านบอกว่าคนที่จะไปพยาบาลคนอื่นเนี่ยต้องเตรียมใจอันนี้ไว้เลยนะพยายามวางใจว่าเออใช้เลยใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาธรรมะเลยใช้เป็นสิ่งที่เราจะได้อามาปองอสุภะเลย มาจริงๆของเราก็เหมือนกันนหะอย่างเงี้ยนะมันก็โศกปลกเหม้นเหมือนกันนะใช้เลยใช้เป็นโอกาสที่เราได้พิจารณาธทมนะเสร็จแล้วก็หัดวางใจหรือหัดอุเบกขาแนละ้วเราทําไปเนี่ยเราทําดีกับเขาได้ยังไงมันไปนบุญกุศลอย่างไงเนี่ยพิจารณาไปเลยแล้วความบังเกีิดความถือสาอะไรจะลดลงไปเรื่อยๆจะลดลงไปเรื่อยๆนะยิ่งเรามีเมตตาใส่เข้าไปด้วยโอ้สบายมากเลยความบังเกีิดจะหายไปได้เร็ว บอกแล้วโดยปกติสัญชาตญาณคนเราที่มีกิเลสมันรังเกียกทุกคนน่ยแต่พอมันฝึกจิต ฝ, ฝึกใจแล้วหัดวางใจแล้วก็ทำใจแล้วความรังเกียจ น, นั้นจะหายได้หายได้จริงๆรนะทั้งๆที่เหม็นอยู่นั่นแหละแต่มันหายได้ ม, ไดมันวางใจได้ออาข้อสุดท้ายข้อที่หนะคุณสมบัติก็คือเป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจง้งสมาทานอาถาน ร่าเริงด้วยธรรมมีกาถาในทุกการทุกเมื่อโอ้โหข้อนี้นะจริงๆแล้วเหมือนเอาพระไปเทศข้อนี้เป็นผู้ที่สามารถชี้แจงให้คนไข้ดูนะเห็นแจ้งเห็นแจ้งเสร็จสมาทานคือหมายถึงว่ายินดีที่จะทำตามอ่าสมาทานอาฐานคือแหมกล้าที่จะทำไม่กลัวไม่กลัวที่จะไม่ทเออ นะแล้วก็ล่าเริงด้วยนะโอ้ล่าเริงอะไรล่าเริงด้วยทำด้วยธรรมะแหมพูดอย่างนี้นะบอกคุณได้เลยพยาบาลที่จะครบองค์ห้านี่นะแทบจะต้องเป็นพยาบาลที่อย่างน้อยต้องต้องถือศีลห้าพยาบาลที่ไม่มีศีลห้าทำไม่ได้หรอกมันจะไม่ครบองค์ห้าอย่างน้อ ย, อยข้อที่ห้าเนี่ยคงไม่มีแน่เลยส่วนใหญ่อยากจะให้คนคนป่วยมีความสุขหรืออะไรก็พูดไอ้นั่นพูดไอ้นี่อะไรใช่ไหม ก็พูดแบบโลกโลกอะ่ะให้คนป่วยมีความสุขเขาคงไม่ใช้ธรรมะหรือว่าใช้สัจธรรมอะไรเนี่ยเข้าไปพูดเพื่อที่จะให้คนป่วยเนี่ยมีความสุขกายสบายใจขึ้นมาแลคงใช้วิธีการแบบโลกโลกอ่ะมันก็สรุปนะจากพระสูตรนี้ห้าหาคุณสมบัตินี้อาตมาอยากจะแนะนํานะ5้าคุณสมบัตนินี้คุณเอาไปพยาบาลคนป่วยที่เขาไม่ต้องป่วยหนักก็ได้บางทีแค่เห็นคน หน้าตาไม่ค่อยดีมาเนี่ยไม่ใช่ใครเพื่อนเราแหละคุณเห็นเอ็นหน้าตาชันไม่ค่อยดีแล้วคุณพยายามนึกถึงคุณสมบัติหข้อนี้เอาไปใช้แล้วคุณจะช่วยทำให้เพื่อนฝูงเนี่ยคลายทุกข์ลงไปได้อย่าไปคิดว่าต้องให้เขาอะไรล้มหมอนนอนเสือก่อนแล้วเราถึงจะเอาห้าข้อนี้ไปใช้อันนั้นมันช้าเกินไปมันสายไปบางทีเขางหงิดใจมาเขาโกรธใครมาเอ่อโดนอะไรกลุ่มรุมนะจากราคะกลุ่มรุมอะไรมาดูสิ นะห้าข้อนี้เอาไปช่วยพยาบาลก็รู้ว่าอะไรแสลงอะไรไม่แสลงรู้ว่าจะให้ยาอะไรดีเนี่ยห้าขอ้อนี้ในที่สุดสามารถที่จะแนะนำบอกกล่าวจนกระทั่งเขาคลายทุกข์ลงไปได้ด้วยธรรมะนะอา้าววันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะ